ต้องทำกันก็เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาไปทำจะจำเอาคำพูดเพื่อเอาไปขบไปคิดไปใชพูดให้คิดพูดให้ไปทำดูนี <c> ่ <oughs> คือภาคปฏิบัติเราสอนกันเรื่องการเจริญสติ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 เป็นการสร้างตัวรู้ตัวดูไปในตัวใส่ใจเจตนาแล้วกับเวลาใดที่มันไม่รูก้กับนิมิต ท, ที่ตั้งไว้ก็พยายามกลับมากลับมาหานิมิต ท, ที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้ให้เป็นที่เป็นทางอย่าจับโน่นจับนี่ ให้เป็นระเบียบสติให้เป็นระเบียบต้องไว้ตรงนี้มันจะไปที่อื่นก็เอากลับมาเหมือนเราจัดสิ่งของบ้านเรือนเรามีแก้วมีขวดมีน้ํามีถ้วยมีชา ม, มเอาไว้ตรงไหนก็ต้องให้อยู่ตรงนั้นให้มันมีระเบียบสร้างสติอย่างเดียวมันมีระเบียบมีระเบียบไปทั่ว ถ้าเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเนี่ยโดยเฉพาะมันจัดสันกายใจจัดสร์ทุกอย่างสำมรวมอินรีลงไปในตัวเสร็จตาหูจหมูกกลิ่นกายใจโลภรัก ล, กลิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆมันจะจัดสค์เป็นการสัรวมอินรีเกิดบริสุทธิ์ที่สินเป็นสิลที่บริสุทธ สำรวมเอ็นสีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจสำรวมไปอีกไม่ให้ยินดียินไล่ในวัยเห็นรู ป, ปร้อเสียงอดมกลิ่นริมเล็อชาพายาตุโยกประกอบความเพียรไม่เห็นเจรเล่นเจรนอนมากนักมานไปอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันขยันไปเลยมันสำรวมไปเลยอินสีทั้งหมดอยู่ในกำมือนี่คือสติปัฏฐานทําดูก็ได้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 เจ็บให้เป็นแก่ให้เป็นผลที่สุดก็ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ไีตายเป็นศิลปะของสติเป็นความชานิชำนาญเป็นที่พึ่งมั่นคงให้อนอนอย่าสับสนสิ่งที่ทําให้สับสนอย่าไปสับสนสิ่งไหนที่มันทําให้เกิดความสับสนชี้หน้ามันได้เกี่นความคิด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 เอาความรู้สึกตัวบุกเบิกไปเอาการกระทาบุกเบิกไปบุกเบิกไปเลยถากมันไปเลยมันจะเป็นโลกเป็นร่างก็เมื่อเราถากช่างถากก็ย่อมถากช่างดัดลูกศรก็ดัดตะพื้ตะเพือมันดิบบนดก็ต้องฝึกตนตะพื้นตะเพือไปลูกกายไปเรื่อยๆ ล, ลูกกายในสติมาตั้งไว้ ตั้งไว้เนานมันจะผ่านมานี่ทั้งหมดนั่นแหละอืถ้าเรามีที่ตั้งมันก็ผ่านมามันก็ดึงผ่านมาเหมือนก็เอ่อชีวิตของเรามันมาเข้าแถวให้ดูจุดรวมหรือว่าตลาดนัดของชีวิตเข้ามาอะอะไรมันอยู่ตรงนี้อะแต่เราดูกายเดี๋ยวใจมันก็จะเห็นนีงแหละเวทนามราก็จะเห็นความคิดก็จะเห็นอารมณ์ก็จะเห็น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 อะไรมันเป็นโลกดูกยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อสุภหะจริงๆมันเกิดจากความหลงเกิดจากความคิดพอมันคิดด้วยความหลงเนี่ยมันมันโสกโปกแล้วแป็นอสุภะแล้วเบื่อแล้วตกใจแค่มันหลงคิดไปแม้วความหลงก็อสุภหะแล้วน่าเกลียดสกโปกยิ่งคิดไปก็โสกโปกความรู้นี่บริสุทธิ์ เหมือนเราในความสะอาดในความบริสุทธิ์ความรู้สึกตัวเนี่ยกระดดที่มันลงเนี่ยมันสกปรกมันเตเปืออปอเป้อนเออมันเปื้อนเราก็ขยักขยแงเราก็เลยไม่กล้ายความรู้สึกตัวเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าอ้าววัใดมีลาค่าจริตต้องเพ่งอสุภากรรมฐานวันใดมีทศจริต ต้องแผ่เมตตาผู้ใด้มีโมหจริตต้องเจริญสติปัฏฐานอันนั้นก็ถูกแบบนั้นแต่ว่าถ้าเจริญสติอย่างเดียวเนะี่ยจริตทั้งหลายลาบคาบไปเลยลาบคาบไปเลยจะเวลา้าจริตเป็นโทษาจริตเป็นโมหะจริตก็ลาบคาบไปเลยมากันเป็นพวงเลย วันเลือกตั้งอะอะไรเลือกตั้งผู้แทนแบบอะไรแบบอะไระได้มาเป็นพวงเลือกบุคคลเลือกพรรคได้มาเป็นพวงเลือกพรรคอย่างเดียวมาเป็นท่วงอันนี้ก็เหมือนกันมีสติอย่างเดียวมาเป็นพวงศีลก็มาสมาธิก็มาปัญญาก็ามาวิมุตติความหลุดพ้นก็มารูปคำอยู่ในองค์มรรค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 ขึ้นขอขึ้นไล้แบบเอาพอ่พอพ่อเราดูอยู่เราดูอยู่ถ้ามันเกินนึงก็ไม่ให้เกินมันตําก็ยังเอาอยู่ต้องทาเอาขึ้นอีกขึ้นอีกอก็กมันได้แบบ๊เออพอพๆพ อ, พ อ, พอดูอยู่ไหมเรายูดูไหมเรดูอยู่ไหมเรียกกันดูอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละเออก็เบาใจถ้าถ้ามีผู้ดูอยู่คนที่ทำงานก็ทำตะพอตะเพอไป อะไรมันจะเกิดขึ้นที่กายที่ใจอะไรมันจะเกิดขึ้นที่ตาที่หูดูอยู่นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูอยู่คุมหัวมันอยู่เรามีชยภูมที่ดูของชีวิตชั่นเชิงมันดีภาวะที่ดูเนี่ยมันมีชั่นเชิงดีมีชยภูมถ้าเป็นนักโลกกอกไม่ีชัยชนะสิทธิ์ทิ ถ้าดูถ้าเป็นเ่าแพ้แตะพึ่งตะพืและยังมาสร้างตัวดูขึ้นมาบางทีแล้วไม่เคยเห็นความคิดเรามแต่มันสั่งงานเราคิดอะไรก็ทําตามมันเวลานอนยังหาเรื่องมาคิดไม่เป็นระเบียบความคิดมันก็ใหญ่เป็นใหญ่มนโนปพังขมาธรรมามนโนเสรษฐามนโนมายามันเป็นใหญ่แต่ใหญ่แบบ ความปาเถื่อนใหญ่แบบความปาเถื่อนมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าใหญ่แบบไม่ทำมันก็เกิดความเป็นธรรมเด่นไม่งันว่าจะใหญ่ก็ตามถ้าต้องดูเนาเพราะว่าที่ดูนี่ช่าเชิงดีใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยความเป็นธรรม แ่ความคิดเกิดขึ้นตรวจสอบตาเห็นโลกตรวจสอบหูได้ยินเสียงตรวจสอบการสร้างสติเนี่ยยิ่งใหญ่มากสู่ธรรมชาติอะไรฝืนไปมาได้แต่พยายามสร้างตัวนี้มีขึ้นมามันจะเป็นอำนาจมันจะเด่นเห็นโลกมันมีความรู้สึกตัวอยาฟังเสียงอะไร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 ผ่านตาบ่อยบ่อยเห็นเราดูมือเคลื่อนไหวดูกายที่มันเดินเห็นบ่อยบ่อยมันจะเห็นเป็นลูกมันจะเห็นเป็นนามแต่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นนิมิต้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาได้ไม่ไปได้ยินเสียงบอกเสียงสอนอันนั้นบางทีมันเป็นนิมิตนิมิตมีได้หลายอย่างนิมิตทางตา นิมิตทางหูนิมิตทางจมกูกนิมิตทางลิน้นนิมิตทางกายนิมิตทางกิตใจอันนั้นเป็นนิมิตที่มันหลอกนิมิตจริงๆก็คือมีสติเห็นกายเนี่ยอันนี้เรีกว่านิมิตนิมิตที่ตั้งพยายามตั้งไว้ให้มันเด่นเห็นชัดชัด ก็เห็นชัดเจนแล้วก็ความเห็นมันจะบอกมันเกิดยานเกิดปัญญาทะลุทะลวงได้เช่นเราเห็นกายเนี่ยเห็นไม่จะเอะกันแล้วก็หลบหลบลี่ลี่อยู่หลบหลบปีกปีอยู่ถ้าเห็นจนเราจับได้ไล่ทันคานหนังคาเขามันก็สารภาพ สารภาพสารภาพหมดเปลือกไม่มีทางแก้ตัวเหมือนที่ภาคสาตุลาการชอบจำเลยหาข้อยุติหาความจริงปฏิเสธไม่ได้เห็นเห็นกายเห็นเป็นรูปมันเป็นรูปจริง ๆ, ๆเห็น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 ได้อยู่แต่ว่ามันไม่จริงมันก็ยังเกณีอีกอเอาชนะแบบนั้นอีกคันไม่ใช่เอาชนะแบบนั้นตั้งสองชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงหรือไม่ถึงสองชั่วโมงคลิปตาเดียวพอมันเกิดขึ้นก็รู้แล้วพอรู้มันก็ถือว่าชนะแหละเห็นน่ะเออเวทนารู้แล้วชนะแล้วเสียวว้ยเวลนาทีเดียวชนะแล้วความคิดเกิดขึ้นก็เห็นแล้ว เวทนาใดที่มันเกิดจากกิจเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความรักความช่าความสุขความทุกข์รู้แล้ววินาทีเกี่ยวเสี้ยววินาที <c oughs> ไม่ใช่สี่ชั่วโมงนี่ยเป็นเวทนาในเวทนาเราเห็นเนี่ยภาวะที่เห็นเนี่ยยอ่อย่อเวลาไม่ใช่สี่ชั่วโมงไม่ใช่แปดชั่วโมงเป็นการยอ่อให้สั้นเข้ามา เป็นทางมันยาวย่อให้สัน้นมีเหมือนกันในพระสูตรพระเจ้าเป็นคนผู้ที่ย่อทางให้สั้นเข้ามาทางโยดหนึ่งย่อสันส้นๆเดินแป๊บเดียวถึงั น, นั้นก็เป็นปุคลาทิสสถานแต่ถ้าเป็นธรรมอาทิสถานเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ย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 ต้งเรียนให้หมดเรียนให้ครบอันนั่นก็เป็นใหญ่มากแต่ถ้าเรามาดูเขาจริงๆเนี่ยแปดหมื่นสี่พันเรื่องคือเกิดคือกายคือใจเท่าไหร่กายเนี่ยเป็นตำราใจนี่แหละเป็นตาําราพระสูตรเรื่องของตาเรื่องของหูเรื่องของอินทรีย์เรื่องของรูปของรสของกลิ่นของเสียงเรื่องของปัฏฐาอารมณ์ต่างๆ เป็นพระสูตรพรสูตรเป็นทางอากุศลเกิดความหลงความโลภความโกรธความรักความชังความสุขความทุกข์เออพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีไปเรื่อยๆสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีไปเรื่อยๆเป็นสูตรของเขาแต่และสูตรเนี่ยยาวบ้างเช่นอกุศลเลยเพราะวิชา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 พลูบปั๊บมันดับแล้วดับแล้วดับความเกิดคุมความเกิดคุมกำเนิดของความเกิดคุมกำเนิดของสังขารเน่ยมันเกิดดับอย่างความโกรธอย่างเนี้ยก่าที่ไปถึงความโกรธมันคืออะไรก่อนที่ไปถึ ง, ถงความรักความชังมันอะมันเกิดมันเกิดดับเกิดเจียงไหมวันน้นมันเกิดกี่พบกี่ชาติ ระดับได้ไหมยหยุดเกิดได้ไหมไม่ต้องเป็นไร่จปงความโกรธเพราะวิชากให้เกิดสังขารสังขารเกิดนามรลกอวิชชาคืออะไ ร, ค, ไรคือความไม่รู้รู้ลรู้ผิดคือความหลงก็นเลยไปถ้าเรามาดูอยู่มาดูอยู่เนี่ยมันย่อมันไม่ไปขนาดนั้นถ้าไปไล่ตำลามันไปไกยแต่เรามาดูเขาจังภาดปฏิบัติจริง เราดูมันอยู่ผมชิดพับก็ลูปพับทันทีดับแลละไม่ต้องไล่อวิชาคืออะไรคือความไม่ลู้ความไม่ลู้คืออะไรคือความหลงถ้ามีความลู่อยู่มันก็ไม่หลงเอาแค่นี้ก็พอนี่ว่าย่อเวลาให้สั้นๆเอามาจับมาดูต่อหน้าต่อตาเราเลยไม่ต้องไปอ่านตำราเอามาดูให้ต่อหน้าต่อตาเราเโอ้มันหลงโอ้มันลู่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 นะเรื่อความคิดเนี่ยมันกลัวความรู้สึกตัวเตือนใจอืมท่า น, นั้นแหละมันวดไปเลยแนบะเหมือนเลยสีตาไฟมันไม่วดไปเลยไม่มีซากศพเลยเป็นรูสีเป็นมุนีมุนีแปวา่าผู้ลอยบาปรูสีไปบอกเผาไหมมันเป็นยานนั้นเป็นฌานฌานเนี่ยคือเพ่งเผาไม่มีซากศพเลยฌานมันมากฌานมันแรง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 ยอดของฌานหะรูตสตัวเนี่ยวยไม่ไมีศากตรหรอกจะใหญ่ขนาดไหนกี่เล่พันห้ารูสตัวลอดไปเลยอันหาาแปดลอดไปเลยของรูสตัวถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานไม่มีอะไรที่จะครอบงำได้ใหญ่เด่นเขาว่ามหาเนี่ยมันใหญ่ไม่มีอะไรจะเท่ามหามันใหญ่ ยิ่นใหญ่เราจะมาสร้างตัวเนี่ยถูกแล้วอย่าลังเลสงสัยอย่าสับสนอย่าไปคลำคลำเท่มตัวลงไปเลยในความรู้สึกตัวตัดสินใจหายึดเอาความรู้สึกตัวอะไรก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัว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 แม่น้ำเสมอด้วยตันหาไปโอ้มันใหญ่เป็นแม่น้ำเนะ่ะมหาสมุทรนั่นเลอสมุทรศัตพระติพระเมติโยใหญ่มากทีเดียวแ้่เราบอกว่าอาการมันก็น้อยคิดจ้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำลู ก, ม, กมันบอกนามมันมอกก็เกิดปัญญาแทนที่จะเกิดความหลงกลายเป็นปัญญาเอามาเป็นปัญญาทั้งหมด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 ภาวะที่อึ่เนี่ยมันเป็นภาวะของอํานาจอํานาจของชีวิตไม่ใช่อํานาจแบบอืมสมมุติบัญญัติเี่มอบให้กันเป็นนายกตัามนตรีเป็นประธานาธิบดี น, นั้นเป็นอํานาจแบบสมมุติบัญญัติกฎหมายและธรรมนูญเป็นสมมติบัญญัติ อำนาจที่เกิดจากปฏิบัติดีปฏิบัติตงมันเป็นปลมัดกสัจจะอเนี้ยมันปราบปราบกิเลสได้ปราบความโูโหลงมงวมายแต่ถ้าทุกคนมามีอำนาจตัวนี้แล้วอำนาจอ น, นั้นก็ไม่ต้องใช้ใครจะไปเบียดเบียนกันไม่ได้ใครจะไปเอาเปรียบกันไม่ได้ไม่ต้องมีคุกเป็นตลางหลวงก็ว่านะ่ะไม่ต้องมีำตำรวจทหาร ถ้ามาลูอปรมัมพัสภาวัธรรมของชีวิตให้จะไปคิดชั่วให้จะไปทำชั่วได้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่ปกครองตัวเองอยู่เยินสงบไปเลย <Yeah. S 2> เห็นก่อนที่ทำผิดมันผิดที่ตรงไหนผิดศีลมันผิดที่ตรงไหนผิดที่กายว่าจจใจเราก็ลูบ การรักษากายไว้ใจใจให้รอยเรียกว่าสิงการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญากายยสังขารคิดแต่สังขารเนี่ยรอบรู้อยู่ตรงนี้เห็นอันอื่นเอาชนะอันอื่นขาไม่เท่าเอาชนะตัวเองเปลี่ยนสังขารเป็นไมสังขาร เปลี่ยนได้สมายเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้สมายไม่ต้องไปด่ากันถ้าไปด่ากันเนี่ยโอ้ยมันสิ้นพลังงานกว่าจะเดินไปหากว่าจะไปออกเสียงกว่าจะไปมันลําบากถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันง่ายเนี่ยเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขารเป็นทุกข์สังขารมันเป็นทุกข์การปรุงปรุงต่างแต่งวิสังขารนิพพานเปังสุขังนิพพานเป็นสุข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 ช่างก็มไม่หลงมาแล้วสี่ช่างาวันแล้วสัมผัสดูแล้วพอไปหลงพับต่างกันไหยต่างกันหลงอยู่ที่ไหนหลงอยู่ที่การกระทำเราจึงมาตั้งไว้ตั้งไว้ที่กายพอรูดจับรูปรู้จับนามรูปมันจะช่วยนามจะช่วยนีมช่วยหระมันจะบอก อ, อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกกับนามันจะบอกฉำ น, นี้าก น, นานไปเรื่อย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 อไฟไมาไหมไฟไมาจุดก็ไม่เจ็บแล้วนี่มันสมมูลโยงกันมันเจ็บเนี่ยโอ้ยขอบคนใช่ไหมคุณวะขอบคนไหมโยงกันเจ็บเนี่ยขอบคุณกายโอ้มันรู้จะเก็บเป็นสัญญาณของเขามันยุงกันปั๊บเนี่ยโอ้ยมือไปเลยขอบคุณถ้ายุงกันไม่เจ็บเลยอะไรเกิดขึ้นแไปทุกทําไมไอ้เหยียบน้ํามันเจ็บเนี่ย ล้มวงไว้ถอดหน้เาเหมาโอ้ขอบคุณขอบคุณรูปจนมันมีสัญญาณอันตรายแล้วเราเอามาเป็นทุกข์ตอนที่เราเอามาเป็นปัญญาคนหิวขอบคุณไว้ขอบคุ ณ, ค, ณความหิวหรือว่าหลงคอเป็นหวัดเนี่ยทําท่าจะไม่ไดีขอบคุณมันโอ้มันสัญญาณมันบอกเงี้ยหลงคอโง่แล้วตัง้งใจล่อนๆอยู่ไปอาบแม่เห็นไหมเห็นไหม อ๋อขอบคุณร่างกายผมถ้าเป็นหวัดเป็นไข้ขอบคุณใช่กายผิดไปใช่สับ ส, บสนสนคนปรับตัวไม่ทันนั่นก็หาทางออกให้เราพักผ่อนพักผ่อนสองวันไปเดินทางวัดเลยขอบคุณขอบคุณร่างกายที่มันเกิดอะไรขึ้นมานมันเป็นวัตถุอาการ มันเป็นวัตถุอากาศร่างกายร้อนเหงื่อโซมอยู่ไปอาบนา้ำสบัดร้อนสบัดหนาวเป็นวัตถุอาการที่ใช่ผิดประเภทเหมืลลอนเราใช่มีดเมีดเขาสำหรับทำครัวเอาไปปันดินเอาไปปันเหล็กมีดเป็นกระหมดคุณภาพเราใช่กิตเราใช่กายผิดประเภทเช่นใช่ให้มันทุกข์ใช่ให้โกรธ ใช่หลักใช่จำหมดสภาพเลยดีไม่ดีเป็นโรคประสาทต้องไปหาจิตแพทย์ใช่กายไม่เป็นไปจนเล่าเมายาไอติดของเสพติดเกิดวิกฤตทางกายสามสอนเกิดอันตรายภาะระหลวงพ่อว่ามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจในสุดยอดของการศึกษา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 เมื่อเกิดสมมติญณติเกิดความยึดโขกติดเมื่อเกิดความยึดเกิดอะไรไปเกิดกิเลสตัณหาเพ่งแรงเกิดความโลภความโกรธความหลงไปไกลจนฉลามดเะโสกปฏิเทวดาทกุก่อนที่จะล่องให้มันไปจางไหนก่อนที่จะไปหัวละหลงตัวลืมตนมันไปทางไหนแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราไม่เกิด เราไม่เกิดหยุดเกิดเอจะว่ายังไงเกิดได้เลยเกิดเลยก็ได้ไม่เกิดอยู่ยังไงอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรเหรอไหมอยู่กับหลวงพ่อไหมอยู่ตรงไหนหลวงพ่ออยู่ตรงไม่เป็ี่ยนอะไรภาษาหลวงพ่อกว่าเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นเป็นผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้อยู่เป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นเห็น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 ชีวิตเหลอศูนย์มีค่าไม่มีค่าเลยไม่ ม, ก ม, มกีกูไม่มีกูกูนึ่งมีค่ากูชอบกูไม่ชอบแต่มีค่านะถ้าลบศูนไม่มีกูกูร้อนกูหนาวกูหิวนี่แต่เห็นเหมือนทาไม่เห็นเองคือศูนย์เห็นฟังเล่าเรื่องไว้โลก <c oughs> ลบศูนย์ลบศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์ไม่ไม่พลาดอยู่ยังไงเป็นกิริยาใช้ชีวิตเป็นกิริยากินเป็นกิริยาถ่ายเป็นกิริยานอนเป็นกิริยาพูดใช้สมมติปัญญิใช้สมมติปัญญิให้สำเร็จประโยชน์แต่ที่ใช้สมมติปัญญิให้เกิดเป็นทุกข์เป็นความรักความชัง อายุตันไม่ใช่ใช่สมมติบัญญัติตามที่โลกสมมุติเนียก็เป็นพระเน่ก็เป็นโยมอ น, นี้สม ม, ญญมุติบัญญัติการประมดวัญญัติไม่ใช่พระก็เป็นได้ทุกเพศพราะว่าใส่เสื้อสีขาวขาวใส่กางเกงขายาวถ้าเป็นปรมัะมดเป็นพระได้พระเคยชีวิตประเสริ ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเวียนคนอื่นยืดประเสริฐไปทางนี้นะ่ะเราทำอยู่นี่ไปทางนี้เข้าถึงธรรมเข้าถึงศรรีลมีศีลไม่ใช่รู้ธรรมมีธรรมไม่ใช่ว่าศีลปานาติปตาไม่ศรรมีลเนี่ยมันเห็นอะไรหนึ่งไม่เป็นศีลยังไงศีลก็เคยเรียบร้อยอยู่เสมอ จิตใจไม่โฟว์โฟว์แฝกแฝกสมาธิเท่าไหร่ก็คือมั่นคงเป็นที่เป็นทางปัญญาก็รอบลูปอยู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวลูปตัวรูปตัวลูปไปไม่ได้ง่ที่จะไปหลงไม่ได้ง่ที่จะไปโกรธไม่ได้โง่ที่จะไปทุกข์เปลี่ยนมาเป็นตัวลูปมันสบายสบายเนี่ยนี่คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณ พระปฏิธรรมพระสงฆ์ก็คือคุณภาพของชีวิตรเรานะจะลู่ตื่นเบิกบานปฏิธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาวระสงฆก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกเก็ทุกข์ปฏิบัติสมควรอยู่ส ม, มยยเสมออยู่เนี่ยปราทำอย่างนี่อยู่ในตระกูลของพระรัตนาใจพระพุะทธปฏธรรมพระสงฆ์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 การเจริญสตินีเป็นโอวาทปฏิโมกพระพุทธเจ้าสอนจ้อทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันเรื่องสัพพะปาปะสะกัลนังกูเชลัตสูะปะสัมปธาสากิตตปิโยทัพนังเอวังพุธานาซาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงร้อมการทำระจิตของเกินให้ข้ารบสามอย่างนี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า เท่านี้แล้เราจะเริยนสติเนี่ก็ปั๊บเข้าเข้ากุ๊บเลยเป็นเอเกรดเอเกรดดี B ไปเลยเหมือนเราปูกระเบื้องสไลดเกรดเอนี่ยปั๊บทันที เ, เกรดดี B นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันสีขาวๆไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เกรดเอเนี่ยปั๊บทันทีเลยสีเท่าๆ ออกปับป๊บแต่เกรดตีสัพะปปะสพะปาปัสรกนนังสัพพะปาปัสสะกันหนังเรามีสติเนี่ยเราได้ไปทำชั่วไหมไปรักขโมยใครไหมไปร่วงเกินของรักของชอบใจไหมคิดอะไรไหมลูกกลับมาอยู่เลยยังไม่ได้ทำเลยกลับมาแล้วคมคิดไปก็กลับมาได้แล้วอยู่นี่ด้วยกันหมดทุกคนเลยได่ไปไหนกันเลย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 ศาสนาศาสน า, า, า, าคือตัวรูปธรรมตัวนมามธรรมศาสนาเจริญก็คือนี่แหละโดยชีวิตของเราไม่มีความชั่วไม่ทําไม่ได้ทําความชั่วไปใช่วัดเลื่อมระยัพระชงมากมากริ่นเป็นอันหนึ่งศาสนาคือชีวิตเราไม่ทุกข์ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นาศาสนาเจริญงานวันนี้ก็โพด ไห้ฟังแล้วไปทาไปทาดู